ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายในเรื่องบุญญาสูตรหรือประสูทรที่ว่าโดยบุญประสูตรนี้เป็นประสูตร์ที่มาในพระคำพีอิติวุตตะจึงไม่ได้บอกสถานที่ที่สรงสดแสดง เป็นแต่ขึ้นต้นด้วยคําว่าสมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อผู้เห็นภายในสังสารวัฏทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญเลยเพราะกรรมบุญบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขนหน่าใคร่หน่าปรารถนาน่าพอใจน่าชื่นบานเราได้อย่างรู้ด้วยญาณอันยิ่งถึงผลแห่งบุญ มีประมาณเล็กน้อยที่เราได้กระทำไว้คือในอดีตการเราได้บำเพ็ญเมตตาภาวนาอยู่เจปีจากการบำเพ็ญเมตตาภาวนาอยู่เจ็ดปีนั้นเราไม่ได้ย้อนกลับมาสู่โลกมนุษย์ถึงหนึ่งวัฏจกรสังวัฏกรเราได้เกิดเป็นพรหมอุมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มาก สามารถจังรู้เหตุการณ์ต่างๆได้เกิดเป็นเทพเจ้าทั้งหลายในชั้นนั้นๆเกิดเป็นเท้าสกะเทวราช36ครั้งเกิดเป็นพระราชาระดับเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ้าประเทศและเจ้าประเทศราชเป็นอันมากด้วยผลแห่งการเจริญเมตตาภาวนาเพียงเจปีเท่านั้นดังนั้นขอให เจอทั้งหลายอย่าได้ประมาทในบุญให้รีบสั่งสมบุญกุศลเอาไปและเราได้สามารถเราได้ตรวจสอบด้วยญาณอันยิ่งของเราว่าการที่เราได้สวยสุขในพวกชาติต่างๆเป็นอันมากแต่อดระยะการยาวนานนั้นเป็นเพราะอะไรก็ได้อย่างรู้ถึงความจริงว่าเป็นเพราะคุณธรรมสามประการ คือทานหนึ่งธรรมะหนึ่งสัญญาะหนึ่งจากนั้นก็ทรงแสดงพระพุทธภาสิทธิ์เป็นใจความว่าบุคคลทั้งหลายควรบำเพ็ญบุญโดยการให้ทานด้วยการสำรวมระวังด้วยการประพฤติข่มใจด้วยการสำรวมระวัง แล้วบุญกุศลตอนนั้นก็จะอำนวยความสุขให้แก่เขาตลอดกาล้ะนานนี่ก็เป็นใจความโดยโดยสรุปในพระสูตรก็มีเพียงเท่านี้พระสูตรในชุดหนึ่งที่เรียกว่าอิติวุตตกะนั้นก็เป็นการนำเอาอมารวบรวมไว้ของพระสังคีติกาจาร์คือพระอาจารย์ที่ทำการสังคยนาร้อยกรองประธรรมวินัยตั้งแต่ หลังพระพุทธเจ้านิพานสเดือนแต่ตอนนี้ท่านท่านไม่เอาเนื้อเรื่องอะไรมาเลยประทับอยู่ที่ไหนแสดงกับใครคนนั้นเป็นลูกเต้าหลอกใครมาจากไหนไม่พูดถึงพูดเฉพาะธรรมะล้วนๆก็ เ, เรียกว่าอิติพุตตกะเคยจะขึ้นด้วยคำบาลีว่าวุตันเพตังกกวตาสมจริงดังคำที่พระพุมีพระาคเจ้าทรงแสดงไว แสดงไว้เมื่อไหร่แสดงที่ไหนแสดงกับใครผลเกิดขึ้นอย่างไรไม่บอกแต่จะพูดเฉพาะธรรมะนี่ก็เป็นลักษณะของพระสูตรในพระไตรปิฎกที่ท่านเรียกวันนวังกับสัตตุศาสตร์คือคำสอนที่ประกอบด้วยองค์เก้าือว่าเวลาเราท่องนั้นเราต้องการให้มันคล่องจองคือท่องง่ายๆนะฮะบางทีก็ไม่สนใจเรื่องเสียงแต่ไม่ใช่เรื่องคาอ่านที่ถูกต้อง คือท่องก็คือท่องไปเลยเท่านช่คำว่าสุตะสุตะเหยะวยากรณากาถาอุทานอิติวุตตกชาดกกระพูจะทำเบธันละคือแทนเวลาเราท่องนั้นแทนที่จะท่องว่าอิติวุตกะเราไม่ท่องเราไม่คล้องจองกระชาดกเราก็ท่องอิติวุตตกชาดกเลยเพื่อให้มันแบบสะดวกแก่การจําอิติวุตตกอิติวุตกะนั้นก็ขึ้นต้นลงท้ายอย่างเนี้ย แล้วก็ไม่ได้บอกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมในคราวนั้นได้ผลเป็นอย่างไรบ้างเพียงแต่อธิบายถึงหลักธรรมซึ่งก็เอามาจากพระสูตรใหญ่นะฮะว่าที่จริงเอามาจากพระสูตรใหญ่มาส่แงแสดงไว้ในพระสูตรตื่นแล้วข้อนี้ที่เราพูดกันมากเวลาพูดเรื่องกองกรรมน ะ, ะเรื่องของบุญอี่เราใช้คําว่า สุขัดเสตังอธิวจัจนะคงว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่มักจะยกกันบ่อยๆก็อยู่ในประสูต์นี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงให้ทราบว่าอย่าได้กลัวบุญรางคนตามปกติกลัวบุญแต่ไม่ค่อยกลัวบาปเท่าไรบาปทำง่ายสำหรับคนที่จิตใจห ย, ยาบช้ากันดัางแต่บุญกลับทำยากรู้สึกว่ามีอุปสรรคมีเหตุจาเป็น แล้วก็ติดงานติดการรุงรังไปหมดเลยจะทำบุญไม่ได้ปวดเอวปวดท้องนั่งไม่ได้แต่นั่งเล่นพ้าคืนนึงได้ก็นั่งทำความดีไม่ได้ก็ขยดต่บบุญรู้สึกว่าตัวตัวเองจะเสียโอกาสจะเสียเปรียบต่ไม่ได้ตามที่ตัวต้องการได้แล้วบางทีคิดว่าตนจะต้องเสียลักษณะเหล่านี้มันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ซึ่งเราเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าในระยะเนี้หลายๆปีมานี้มีการโจมตีการแจกดีกาซองผ้าป่าสองกระถิ่นในวงการอภิปรายของนักวิชาการพวกด็อกเตอร์ด็อกเตะทั้งหลายเนี่ยเคยจะยกตรงนี้ทุกมาทุกงานเลยนะครฟังเขาที่ไหนก็ต้องพูดเรื่องดีกาทุกงานดีกาผ้าป่ากระถิ่นก็จะพูดทุกงานเลย แต่ว่าเวลาเขาไปนั่งกินเลี้ยงกันเขาไปเที่ยวปิกนิกไปทําอะไรต่ออะไรเสียเงินเสียทองไม่มากมายกับกองนะฮะดีกา ใ, ใส่สักบาทเดียวก็ไม่มีใครเขว่าอะไรหรือไม่ใส่ก็ไม่มีคนว่าอะไรแต่ว่าเวลาเขาใช้จ่ายไปในเรื่องที่สิ้นเปลืองเรื่องอบายยมุกเรื่องหรูหรานุ่งเฟือยต่างๆเขาก็ไม่เอามาพูดมาเล่าที่จะพูดแต่จะโจมตีเรื่องใบดีกาสองสอ ง, งานเนี่ยดีกาผ้าป่ากริถินเนี่ย นิกาพระป่าที่จริงมันก็นานๆครั้งนิกากรถิ่นมันก็ปีึเดือนเดียวแต่นั้นเองแล้วใครจะทําหรือไม่ทําเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นภารากิจอย่างหนึ่งนะฮะในการทําบุญเนี่ยถึงแต่เรามองเราเข้าใจในเชิงเหตุผลว่าเป็นเรื่องของกุศลและเจตนาของบุคคลเหล่านั้นที่เมื่อตนทําความดีก็ต้องการชักชวนคนอื่นให้กระทาความดีด้วยแล้วเราไปด่าเขา อีตอนที่เราไม่ดื่มเหล้าเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าซึ่งเป็นความชั่วนั้นเรายัางชอบไม่ไปโจมตีไม่ไปตําหนิเพื่อนชวนไปเที่ยวชวนไปเล่นการปรนันชวนไปอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งชวนในทางเสื่อมชวนในลักษณะปาปมิตรคือชักชวนในทางเสื่อมทางเสียหายต่างๆเราไม่ตําหนิเราไม่ค่อนแคะเราไม่เอามาตัวพูดกันในวงการไปปลายแต่พอก็ชวนกันทาดีเลยไปค่อนแค่ไปตําหนิครับนั่นแสดงให้เห็นถึงพื้นจิตของคนนั้นกลัวบุญนะครับพูดแล้วไม่น่าเชื่อ ก็คนนั่งกลัวบุญฮะบาปไม่ค่อกลัวกันเท่าไหร่อกแต่กลัวบุญขยาดบุญบางทีก็พูดออกมาแรงๆนะฮะพอเห็นพระก็กลัวใบดีกาท่านจากย่ามโดยนายย่ามจะมีใบดีก า, าต้องคอยหลบแล้วก็ลักษณะเหล่านี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วทวยเจ้า ก, ก็ต้องแสดงว่าพวกเธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยบุญไม่ใช่อะไรหรอกบุญเป็นเรื่องของความสุข หมายถึงความสุขที่น่าใคร่าน่าปรารถนาน่าพอใจทีนี้ให้ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตนะครับว่าในชั้นของโลกคือในชั้นของบุญเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าบุญนั้นเราพูดการระดับท่องเที่ยวในสังสารวัฏจนถึงพรหมโลกพวกนี้อาจจะพูดว่าบุญก็ได้กุศลก็ได้แต่ถ้าถึง หลุดพ้นจากกระแสะโลกแล้วเราไม่พูดว่าบุญเราพูดอกุศลแล้วเมื่อพูดถึงผลกุศลเราจะไม่พูดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเพราะมันมันมันไม่ใช่เรื่องใคร่หรือไม่ใคร่แต่เรื่องของความสุขเรื่องของความสงบแล้วก็เป็นสุขเหบือนการนะสุขกนชนแต่ในที่นี้ทรงใช้คําว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจ เธอก็มีความสืบสอบขึ้นประนีตขึ้นไปโดยลำดับแต่การแสดงนั้นเป็นโวหารในการเทศเราต้องการเทศเรื่องอะไรในชั้นนี้พระพุทธเจ้าทรงเทศผลก่อนนะฮะเราสังเกตนะฮะทรงเทศผลเทศแนเดียวกับทุกัะเทศแนเดียวกับอริยสัจคือเทศผลก่อนสีผลของความทุกข์ให้เห็นชีผลของนิโรธให้เห็น คนผู้ไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องหาสาเหตุและรงชี้สมุทยัยคนต้องการความสุขต้องการเหตุให้เกิดสุขก็ตองชี้ที่มักในกรณีนี้ก็เหมือนการทรงที่ว่าเป็นเรื่องของความสุขที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจเท่านั้นเองผู้ฟังก็กระตือรือร้นเอ๊ะทำยังไงจะได้ทำบุญมันทำยังไง พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงการทําบุญที่จริงในพระไใจบิดก็นี่ก็ต่อเป็นไปไปไปข้างหลังนะฮะต่อกันไปโดยลาดับก็เริ่มประสูตรด้วยบุญเรื่องเริ่เอเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของทานเรื่องของเมตตาเรื่องของออวาจา ส, ส่อเสียดอะไรทั้งบุญทั้งบ่าวก็ปนปนกันไปเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วก็บุญก็มีอยู่สองส่วนนะพูดพูดโดยสรุปไม่จะพูดโดย โดยแบบอภิธรรมนะฮะภิธรรมก็นั่งนับตัวเลขกนันนานน่อโดยเหตุก็คือเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยอะไรก็ได้ประกอบด้วยกุศลมีผลในทางขรจัดกิเลสประเภทต่างๆอย่างน้อยนะฮะให้จางออกไปจากใจจางไปมากหรือน้อยก็ตามพระบุญมันก็มีมากมีน้อยขึ้นไป แต่กรจัดกิเลสได้เท่าไรมันก็เป็นบุญที่เป็นส่วนผลมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้เราเราสังเกตเห็นได้ง่ายเพ่างเช่นเราสามารถขจัดกิเลสในเรื่องความโลภที่ไม่เป็นเรื่องออกไปได้ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องการยื้อแย่งเรือการต่อสู้ต่างๆใจเราก็สงบ แม้คนอื่นก็จะยื้อแย่งก็จะต่อสู้ก็จะเบียดเบียนกันเราก็ไม่สนใจนะฮะนี่แสดงว่าเรามีบุญส่วนที่เป็นอโลภะคือความไม่โลภเกิดขึ้นจากการกรจัดความโลภใจมันก็มีความโลภอยู่แต่ก็มีความโลภน้อยลงหรือบุญในํานองที่กระจัดสายโทสะออกไปแม้จะมีความรุนแรงเรื่องราวอะไรที่รุนแรงมันเกิดขึ้นใจก็มีหลักใจไม่เสียหลัก สามารถทำใจให้เย็นได้ส ง, งบได้แม้จะมีเรื่องกระแทกกระทันอารมณ์อย่างไงก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของบุญที่เป็นส่วนจัดขจัดปหะซึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับขจัดความหลงความไม่เข้าใจในเรื่องต่างๆเมื่อบังเกิดขึ้นก็เสริมสร้างให้เกิดความรู้มีเหตุผลมีปัญญาเป็นหลักในการพนิพิจานะไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ เร่งราวการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการชักชวนหรือว่าข่าวเล่าข่าวลืออะไรต่างๆจิตใจสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในสังคมไทยนั้นจำเป็นจะต้องใช้ปัญญามากเพราะปัจจุบันนี้เรามีคนว่างงานเะจะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็สร้างข่าวลือเล่นๆต้องการให้เกิดความตื่นเต้นถ้าเราอ่อนไหวไปตามข่าวลือแล้วเสร็จก็จะสูญเสียหลัก ใจจะไม่มีความสงบเลยเมื่อไม่มความเมื่อไม่มีความสงบก็ไม่ต้องพูดเรื่องความสุขนะแต่เพราะใจที่ได้ใช้หลักปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาก็็จัดไอ้ควา ม, วามงม ง, งายความตื่นอย่างน้อยก็พวกตื่นตมตื่นเต้นหรือตื่นเหอตามตามกันไปลงไปได้แต่ใจก็สงบได้ยังยกตัวอย่างว่าอย่างเงี้ยยังยัง ปลูกแฟชแฟชั่นอะไรตรายการโฆษณาอย่างพวกคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็โฆษณาอีกแบบหนึ่งคนแก่โฆษณาอีกแบบหนึ่งนะฮะชายผู้ชายก็โฆษณากันหลายแบบแหละแต่สรุปว่าถ้าจิตใจเรามีบุญอยู่มีปัญญาอยู่แก้ขจัดไอโมหะออกไปได้แม้จะอ่อนไหวไปบ้างก็จงต้องหยิบมาคิดเสียก่อนพินิจพิจารณาเสก่อน ไม่ใช่ว่าผีรผามดวนเชื่อไปแต่สินใจลงไปทีนี้ใจที่ไม่ร้าร้อนไม่รุนแรงด้วยเพลิงของกิเลสในลักษณะนี้มันก็ขอให้เกิดผลเป็นความสุขความสุขจะมากขึ้นโดยลำดับตามปริมาณของการละกิเลสได้ความสุขชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาวันสุขที่แตกต่างกันนะครับสุขชั้นทานเาจะเห็นว่ามันมีความเพลิดเพลิน มีการสนุกสนานมีการเฉลิมฉลองนะฮะเรื่องคำทานเนี่ย เ, เพราะมันอิงอามิตรอยู่แยะเยกียรักทานไว้ว่าอะไรก็ตามจะมีความเพลินมีความเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเป็นด้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่อะไรต่างๆพอเสร็จแล้วก็รอฉลองฉลองก็เพลินสนุกกันใหญ่มีการเฉลิมมีการมีมรสศพมีอะไรก็เรื่องเพลินเพลินนะฮะเพราะมอาศัยวัตถุมากแต่ว่า เป็นความเพลิดเพลินที่มีกุศลข้าวครอบคือกุศลเป็นฐานแหน่งความเพลิดเพลินบางครั้งก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าธรรมปีติคือความเอิบอิ่มด้วยธรรมนี้ก็เป็นลักษณะของบุญดังนั้นนะบุญจึงมีอยู่เกินกลนทุกคนทุแข่งปัญหาสำคัญยังอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะ ทำจิตใจให้เกิดการบันเทาความรุนแรงของกิเลสได้หรือไม่ทั้งสามสายคือสายใดสายหนึ่งว่าเกิดบุญขึ้นทีนี้ประการต่อไปที่น่าศึกษาเด <c oughs> ี่วันก่อนนี้ได้อ่านหนังสื อ, เ, อ, อเล่มหนึ่งที่เขาเขียนวิจารณ์วิจารณ์งานเขียนในเมืองไทยนะฮะ คนเขียนก็รู้สึกจะอวดดีมากไปไหนเลยก็ใช้คาว่าเป็นความคิดแนวอนาระยะเป็นความคิดแนวเก่าแนวอนาระยะที่ยอมรับถึงความมีอยู่ของกรรมของสังสารวัฏของภพหน้าของโลกหน้าของเทวดาของปรมาลกอะไรเนี่ยไม่ใช่ความคิดของคนที่จะเริญเป็นความคิดแนวเก่าแต่ตรลงว่า จากความเห็นของท่านผู้นี้คนเป็นนักปราชญ่คนเดียวต่นนั้นเองคือมีอาจารย์ของเขาแต่ที่ที่น่าขาำยิ่งกว่านั้นก็คือหนังสือที่เขายกสแสดงความปราดเป์เกงก้อน อ, อาจารย์เขานั้นกลายเป็นหนังสือที่ลอกไปจากพระไตรปิฎกหรือแสดงว่าเขาไม่เคยอ่านนะฮะแสดงว่าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนึกว่าอาจารย์เขาตัดสรู้เอง ข้อนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเรายังรู้ด้วยญาณยังรู้ด้วยญาณถึงผลอันเป็นวิบากแห่งกุศ ล, ลกรรมที่เราได้กระทํานะฮะพระพุทธเจ้ารู้ด้วยญาณ น, นะฮะเรามีญาณนะเราปัญหานี้ปัญหาที่จะต้องถามตัวเองในตอนต้นว่าการที่เราปฏิเสธพระสัพพัญยุตตญาณของพระพุทธเจ้านะฮะ อย่าลืมมาปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัตนั้นคือปฏิเสธสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเราพระพเจ้าจะทรงแสดงไว้เสมอว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณไม่ใช่รู้ด้วยตาธรรมดาพระองค์เองก็ไม่รู้ด้วยตาธรรมดานะครเจ้าชายทิตถ ะ, ะตั้งแต่พระชนมาายุหนึ่งขวบจนถึง35ปีก่อนการแต่จะรู้ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้แต่เมื่อพระองค์มีญาณพระองค์จึงรู้เพออาราะกันจะปฏิเสธเรื่องนี้ต้องถามตัวเองว่าเรามีเครื่องมือดูหรือเปล่าเรา ก็มือที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นผลแหง่งผลอันเป็นวิบากแห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่เราเรียกว่ากรร ม, มวิปากระยานที่เคยพูดในทศพลรยานเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีกรร ม, มวิปากรยานฐานาฐานะยานกรร ม, มวิปากรยานพระปรีชาญาณที่ยังรู้ถึงกรรมและผลของกรรมว่ากรรมอย่างนี้จะส่งผลอย่านงานี้กรรมอย่างนี้ส่งผลอย่างนี้กรรมอย่างนี้ส่งผลอย่างนี้ เป็นเรื่องของการรูก้กฎแห่งเหตุผลที่เหนือวิสัยของสามัญชนธรรมดาแต่มันอยู่ในวิสัยของญาณอย่างใกลๆเค ย, ยกตัวอย่างว่าไอเชื้อไวรัสต่างๆเชื้อโรคต่างๆนันมันอยู่ในวิสัยของกล้องจุลทัศน์แต่ไม่ได้อยู่วิสัยของตาเราแต่การที่เราพิสูจน์ด้วยตาแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเราจะไปไปปฏิเสธไม่ได้เพราะคนที่เขาเห็นสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยตานะเขาเห็นด้วยกล้องจุลทัศน์ เรื่องผลแห่งกรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงประกอบด้วยพระญาณหรือที่เราเรียกว่าวิชาหรือเรียกว่าอภิญญาหรือเรียกว่าทศพลญาณนะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รู้เห็นเรื่องเหล่านั้นมันจึงทรงสแสดงว่าเราได้รู้เห็นด้วยญาณอันยิ่งถึงผลแห่งกรรมที่เราได้กระทำไว้ในอดีต ทีปัญหาว่าไอายานอันยิ่งเนี่ยมันเกิดในสภาพจิตยังไงอันนี้ลงตัวนะฮะแล้วเกิดขึ้นแกนคนทุกคนเหมือนกันไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงไม่พีไม่ไม่มีความริปริตเปลี่ยนแปลงมันก็รถเกลือเค็มทุกทีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสภาพจิตว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ จริงแล้วนั่นนั่นคือคุณภาพจิตจิตมันต้องพัฒนาขึ้นไปอย่างนี้ความรู้ความเห็นอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นถ้าความรู้จิตไม่ได้พัฒนาขึ้นไปถึงจุดนี้ความรู้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่เกิดมันก็เป็นสูตรทั่วไปแหละสูตรทั่วไปถ้าการรดอาหารอย่างนี้ต้องใส่เครื่องปรุงเท่านั้นส่วนไอ้อย่างนั้นเท่านั้นส่วนอย่างนี้เทนี้ส่วนรสมันจึงจะออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเครื่องปรุงมันขาดไปหรือว่าสัดส่วนมันเสียไปรสออกอย่างนั้นไม่ได้ กฎธรรมดาเลยฮะกฎธรรมดาทุกกฎท่านท่างหลายลองไปกําหนดดูเรื่องอะไรก็แล้วกันมันจะอยู่ในกฎต่อนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เมื่อไม่เป็นอย่างนี้ก็ต่อไปก็ไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแต่ถ้าทําอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอัมบายมุกเป็นทางเสื่อมทรงพูดลอยตัวไว้นะฮะทรงพูดลอยลอยไว้เพราะวเอ็เสื่อมขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุมันแรงขนาดไหนแต่แน่นอนคือเสื่อมเสื่อมนั้นจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็ได้ ดื่มดื่มโซดาก็เสื่อมจะเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยก็ดื่มมากหรือดื่มน้อยแหละแต่ดื่มมากก็เสื่อมมากดื่มน้อยก็เสื่อมน้อยแต่ไม่เสื่อมไม่มีเลยดื่มสุดาก็คือเสื่อมเล่นการพนันก็คือเสื่อมจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นมาก็ขึ้นอยู่กับผลขึ้นอยู่กับเหตุที่เราประกอบเหตุมากผมก็มากเหตุน้อยผมก็น้อยแต่เว้นกดที่ตายตัวเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหว นะเป็นสมาธิไม่ใช่งอกแงกกรแกรกนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิก็ได้ยินเสียงเครื่องเขาต่อเข็มหน่อยนึงสะดุ้งโยงแล้วก็ระลึกไม่ได้นะมันต้องมีความมั่นคงอย่างจริงจิเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสภาพจิตที่มีกิเลสนะฮะไอมันไม่หวั่นไหวบางบางทีคนคนที่หูหนวกเนี่ยใครด่าก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันเพราะแกไม่ได้ยินนะเพราะงั้นก็ต้องบอกว่า จิตที่ปราศจากกิเลสต้องเกิดจะจิตที่ปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสหรือเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานจึงน้องไปเพื่ออย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือหลักที่ควรจะจับเอาไว้นะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันมันนึกจะพูดมันก็พูดอะไรพูดออกมาเรื่อยๆแล้วแล้วแกก็พูดนะฮะตำหนินักเขียนคนนั้นนักเขียนคนนี้ว่าไปาความคิดความเห็นดี แต่ว่าปฏิบัติน้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าแก่ปฏิบัติมากขนาดไหนพราะคนปฏิบัติมากพระเรียเจ้าทาั้งหลายไม่เคยชนพระพุทธเจ้าเลยไม่มีไ ม, ไม่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะเพราะท่านรู้เหมือนกันเลยสภาพจิตเหมือนกันรู้เหมือนกันเหมือนท่านเอาเกลือแตะที่ลิ้นเค็มเหมือนกันทุกคนนะใครเอาเกลือแตะที่ลิ้นหวานก็ต้องไปให้หมอตรวจแล้วนี่คือกฎกฎเปนธรรมดานะี่ยฮะกฎธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นลึกซึ้งอะไรนักหนานะ แล้วต่อไปทรงแสดงอะไรว่าผลแห่งกุศลละกรรมมันเล็กน้อยนะฮะทรงชา้ากว่าเล็กน้อยแล้วก็เล่าว่าเราจเจริญเมตตาอยู่ติดต่อกันตลอดเวลาเจปีอันนี้ให้ท่านสังเกตรพระพุทธธรรมรัตน์อีกอีกแนวหนึ่งนะฮะที่มาเคยใชย้คำว่าพูดด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาไม่ได้ติดใจในเรื่องของหลักใ ห, ใหญ่ๆนะฮะคล้ายๆกับเราพูดว่าเราทุกคนในโลกนี้นะ แล้วทุกคนในโลกนี้ถ้าจะเอาเรื่องการมันไม่มีใครอยู่ในโลกสักคนหนึ่งฮะมันมีคนอยู่บนโลกกับมันโลกมันกลมอะแต่ในโลกมันต้องขุดรูอยู่กันแต่เราก็พูดเราก็ฟังได้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ถือประเด็นปลีกย่อยอะไรในกรณีนั้นนะฮะหรือว่าเห็นก็พูดกันอย่างเงี้ยมันไม่มีใครก็เห็นก็พูด ร, รู้รู้เรื่องแต่ว่าพูดกันได้เข้าใจกันได้นั้นเป็นภาษาธรรมดาเป็นภาษาแบบคนๆนะฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเรา เหล่านั้นไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้านะฮะเราในสมัยชาติพบก่อนก่อนน้ น, นเนกาเลน ะ, นะแต่ใช้คําว่าเรามันเป็นอาการต่อเนื่องกันไม่ไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์น ะ, ะแต่มันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคามเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างที่พระนาคเกษท่านอุปมาเหมือนก็เหมือนกับเราจุดไฟขึ้นตรงเนี้ยแล้วไฟลามไปไหม้ร้านกระจกเขาด้านด้านโน้นน ะ, ะมันไม่ใช่ไฟที่เราจุดหรอกแต่มันเกี่ยวเนื่องกับไฟที่เราจุด จะถือว่าไฟที่เราจุดเราก็จุดตรงเนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางโนนแต่ว่ามันความเกี่ยวเนื่องถึงกันเพราะงั้นผลที่เกิดขึ้นที่โน้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ต้องรับเหมือนกันบางทีก็ใช้บอกว่าเราจุดที่จริงเราจุดตรงนี้เราไม่ได้จุดที่โน้นแต่ก็เราจุดใช้ได้ฟังได้แต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจว่าไฟมันลามมาจากจุดที่เราจุดแล้วก็ไหม้ตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะงั้น แต่คำนี้จึงเป็นคำธรรมดาคำระดับชาดกท่านต่้งหลายรดบรวจรกเกตว่าคำระดับชาดกนั้นเป็นการเทศแก่ชาวบ้านธรรมดาเออแต่พูดถึงชาดกก็อยากจะแวะตรงนี้อีกหน่อยนะพวกนี้เขาเข้าใจว่าแต่งเอานะฮนะนักวิชาการทุกวันก็เข้าใจว่าแต่งเอาว่าแต่งก็นทำอะไรแต่งเพื่อสอนคนเป็นนิทานบุคคลไม่ได้แต่งนะฮะเราต้องเข้าใจว่าแต่งนั้นหมายความว่าเรื่องนั้นไม่มีเราสร้างเรื่องขึ้นโดยจินตนาการ ในชาดกไม่ได้แต่งชาดกเป็นการฟังสืบต่อกันมาจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าครั้นจะยกขึ้นสู่สังคารนาเรื่องมันยาวแล้วผลละความมันไม่จําเป็นจำมาก็าพอแล้วเขียนขยายนี้ขยายหน่อยไม่ได้แปลกอะไรเราหายไปบ้างตัวหลักสําคัญเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเพราะหลักสําคัญคาถาในาในชาดกจะอยู่ในพระไตรปิฎกสองเล่มเล่มบนเล่มเลยนะฮะยี่สบเจมีอยู่547ด เรื่องแต่เราเรียกว่า5้าหเรื่องมีในพระใจเป็นดกไปได้แต่งนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นด้วยพุทธญาณที่พระองค์ส่งย้อนระลึกชาติด้วยบุเพนวาส า, านติญาณของพระองค์แล้วก็นํามาแสดงจะแสดงมากแสดงน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าแต่งกันขึ้นไม่ใช่แต่งนะฮะส่วนอัตถกถาทีหลังนั้นเป็นการเล่าสืบต่อกันมาเพราะว่ามันเรื่องง่ายๆนะฮะเรื่องเล่าแป๊บเดียวก็จําได้แล้วไม่จําเป็นอะไร และยิ่งพระสมัยนั้นท่านเป็นพระอริยะสมองเทพอยู่แล้วนะพระนรุกขเจ้าเทพกันเดียรท่านจำไว้เหมือนกันเทพมไม่แปลกอะไรเราจะตกหล่นไปบ้างก็ได้ส่วนผลละความเรื่องราเนี่ยแต่ว่าตัวเนื้อหาจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็รับสั่งแสดงว่าบำเพ็ญเมตตาภาวนาน เมตตาภาวนาอยู่7จ็ดปีท่านทั้งหลายอยู่7ปีนะฮะอันนี้สแสดงอะไรเยอะน ะ, สะแสดงทั้งพระญาณแสดงทั้งโลกหน้าสแสดงทั้งกรรมฮะแสดงทั้งสังสารวัฏหมดเลยในวรรทัดเดียวนะฮะโดยเริ่มจากบุญตัวเดียวแล้วมันก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันต่อกันไปตลอดสายเลยเจริญเมตตาภาวนาอยู่เจ็ปีนะฮะต่อเนื่องนะทีนี้เมตตาภาวนามันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาเราจเจริญทำไ ม, มไม่ค่อยได้ผลนะคร เราสะเพยสะตาทุกทีนะจริงสะเพยสะตามันไม่เหลืออะไรแล้วนะหมดแล้วอะ่ะแมวอะไรตัวอะไรหมดเลยยุงยุงกันหมดเลยไม่เหลือไอคือไม่เหลืออะไรหมดเราสะเพสะตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงปยาปชาจงเวีนผู้ไม่มีเวรเถิดปยาปชาจงเวียนผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดสุ ข, ขีอัตานางบริหารตัวจงเวีนผู้มีสุขระร้าเติมเติ่อะไรแต่ล ว, ๆๆวหมดนะแต่แท้จริงมันเข้าถึงใจหรือเปล่า บางทีในขณะที่ว่าเมตตาเพื่อนกระทบหน่อยหารไปมองตาจะบึ้งๆมันไม่ถึงใจอ่ะมันใญญาไม่มีเมตตาใจมีแต่ปฏิฆามีแต่โทสะเมตตาไม่เข้าถึงใจให้เราลองสังเกตนะไม่มีมนุษย์ไหนที่จเจริญเมตตาแบบชาวพุทธหรอกชาวคริสต์เนี่ยเขาจเจริญเมตตาเฉพาะพวกเขานะลูกพระเจ้าด้วยกันเราไม่ให้เราสะเพริดตาหมดเลย ทังยุงทั้งปลวกทั้งมดระยุมมันปลวกมันขึ้นบ้านเราก็เมตตานะฮะสเปสตาที่วัดนะฮะแต่ไปถึงก็ฉีดยาฆ่าปลวกที่บ้านนะ <c oughs> ไปถึงก็ฉีดยาฆ่าเลยก็นานาแผลเมตตากันใหม่ๆเนี่ยนี่คือความขัดแย้งนะฮะความขัดแย้งภายในใจของเราแต่พระเจ้าท่นานใช้คําว่าเราเจริญเมตตาที่สืบต่อกันมาเจปีซึ่งหมายความว่าเมตตาของพระองค์นั้นมีสัตว์ที่ไม่มีประมาณนะมีสัตว์ไม่มีประมาณใช้สเพสตาที่เรียกว่ามีสัตว์ไม่มีประมาณ่ คือมากเท้าหลายเท้าหรือไม่มีเท้าอย่างไงขันห้าขันหนึ่งขันสี่ที่เราว่าเนี่ยที่ทิติกีที่ว่าเนี่ยปัญเจกะจตุโวการาสังสารตาปวาปเวนะฮะก็ว่าไปหมดนะถ้าว่าขันห้าก็หมดขันห้าก็คือสิ่งที่มีรูปเวทนาตัญญาตั้งขันวิอย่างครบขันหนึ่งก็คือมีเฉพาะรูปขันอย่างเดียวได้แก่พรหมรูปกขันสี่ก็คือรูปพรหมหมดแล้วโลกเพราะสัตว์โลกนี้มีอยู่ห้มีสามประเภททนี้ถ้านับขันกัน มีขันห้าขันหนึ่งหรือขันสี่ขันห้าเป็นอย่างมากที่สุดขันหนึ่งน้อยที่สุดก็มีอยู่สามประเภทแล้วก็เราก็เอานะบางทีก็ใส่มีท้าไม่มีเท้ า, ม, ามีสองเท้ามีมากเท้ามีสีท้าว่าหมดเลยว่าหมดเลยสรุปว่ามันเป็นภาษาลิเกไปหน่อยนะบางทีนะฮะสเพรตาก็พอแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงใจ การเบียดเบียนการประทุษร้ายกันจึงยังเกิดขึ้นการนิสยาอาฆาตต่างๆก็ยังมีกันอยู่นะฮะที่ก็มีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายกันไอ้ใจคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปยังไงเป็นการสะท้อนมาจากใจที่คิดอย่างนั้นไม่หลอกตัวเองไม่ลวงตัวเองหรือไม่ต่อรองให้แก่ตัวเองเช่นตั้งใจจะทางานให้ ต, ตามแสดงเห็นว่า ผลของเมตานั้นอย่างไม่เข้าถึงใจกระทบอะไรก็โกรธก็หงุดหงิดก็ไม่พอใจจนถึงก็อาคาตพยาบาทแต่ถ้าเมตตาที่เป็นเจโตวิมุตต์เขาเรียกเมตตาเจโตวิมุตต์นะฮะคือจิตที่หลุดพ้นจากความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความยินร้ายอะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกนี้แก้ด้เมตตาได้ทั้งหมดที่เราเรียกอะไรน ะ, ะเรียงมันจากความยินร้าย ่ความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธความประทุษร้ายความปยาบาทความอาฆาตความจองเวนความล้างผลาญอะไรเลยและแต่จะนับอ่ะมันแก้ที่เมตตาตัวเดียวเท่านั้นเองแก้ที่เมตตาตัวเดียงอย่าไปวอแวรว่าอู้ยโย่แย่ยไปหมดทําไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจะปลูกต้นไม้ทักต้นคือเมตตาทักต้นแล้วเดินหน้าเองต่อไปมันแต่กิ่งก้านสาขามันเองเมตตาก็มีลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอเราเริ่มได้มันก็แผ่ออกไปจากใจเราก่อนใจเราจะเย็นก่อน สิ่งอะไรก็ตามที่ตัวเองเย็นนั้นจะทําให้สิ่งอื่นที่เข้าเกี่ยวข้องเย็นด้วยนั่นคือเห็นเป็นก็ไกดธรรมชาติอีกน้ําแข็งนะใครเข้าใกล้น้ำแข็งมันก็เย็นทุกคนเพราะตัวมันเย็นใจคนก็เหมือนกันถ้าเราใจเราเย็นนะฮะเย็นตรงนี้แล้วคนที่เข้าเกี่ยวข้องกับเราก็จะเย็นริยาการแสดงออกก็จะเย็นวาจาก็จะเย็นฮะแล้วเวลาปฏิกิริยาตอบมามันก็ตอบเย็นเย็นมานะฮะตอบเย็นเย็นมาเพราะเราพูดเย็นเยนไปเขาก็เย็นเย็นมา แต่ที่ที่มันเขาด่าเรานะเพราเราด่าเขาก่อนน่ะคือเราร้อนกับเขาก่อนแล้วเขาก็ร้อนกับเราอ่ะทีนี้เวลาโยนความผิดเราก็โยนให้คนอื่นไปลูกเดียวแท้ที่จริงนั้นมันเป็นเรื่องของกิริยาปฏิกริยาถ้าไม่มีกิริยาปฏิกริยามันก็ไม่ตีกลับออกมาในลับขนาดนั้นจนจะตีกลับเมื่อไหร่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางบางทีเราอัดกิริยาไว้จนเหมือนกับถังแก๊สมันแน่นน่ะรอรอเวลาระเบิดแล้ววันดีก็ดีมันก็ระเบิดออกมาทีนี้ถ้าเรา มีฐานใจที่อยู่โดยเมตตาแต่ต้องเป็นเป็นเมตตาระดับที่เป็นที่เข้าถึงใจนะฮะอย่างน้อยคือเป็นไปนได้จริงเพราอย่าลืมว่าเมตตาเนี่ยมันมีมีเมตตามาโนกัมมังมันมีเมตตากายกรร ม, มังเลยมีเมตตาวจีกัมมังมันสามกัมมังนะฮะสามกัมมังเมตตาพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนั้นเป็นเมตตามาโนกัมมังเมตตาที่เกิดขึ้นแก่ใจในแนวของพรมิหานนะฮะ สร้างความรู้สึกเนี่ยขอสาดทั้งหลายทั้งปว ง, งอย่ามีเวรอย่ามีภยัยอย่เบียดเบีนกันอยา่าปะทุสร้ายกันให้มีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนนะคนที่เรารู้สึกได้อย่างนี้ให้เราสังเกตว่าต่อไปมันเป็นกรุณาเองอเวลาแกเดือดร้อนมันเปลี่ยนเองเปลี่ยนในตัวเองอะ่ะแล้วพอแกได้ดีเราก็มุทิตาเองเดินหน้าได้ตลอดแต่ที่ยุ่งมากที่สุดคือไม่ค่อยอุเบกขากันเท่าไหร่นะอเบกขาในะยุ่งหน่อยนะฮะขี้วอยวายขี ว, ว, ข ว, วอยวายก็ทําใจเป็นอุเบกขาไม่ได้ เพราะอะไรเพราะใจคนมันเอียงใจมันตกอยู่ในอคติให้ลองสังเกตนะอุเบกขาเป็นธรรมะที่เราปฏิบัติได้ยากและเรามีกันได้น้อยนะฮะเรามีกันได้น้อยเมตตากรุณาโมทิตาเดินกันได้พอสมควรปัญหาที่ยุ่งก็คืออุเบกขาเราไม่เคยมีคราวที่จะอุเบกขาไม่ยอมอุเบกขาไม่ยอมทําใจให้สงบอย่างที่ยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะฮะว่าเมตตานั้นเหมือนกับการดูแลบ้านทั้งหลังกรุณานั้นเหมือนห้องครัวห้องอาหาร มติตาเหมือนก็ห้องรับแขกอุเบขาเหมือนห้องนอนดึกแล้วไม่นอนมันก็รบกวนชาวบ้านเขาอะนอนนอนได้บ้างสิสงบสงบได้บ้างร่างกายจะได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของจิตที่อยู่ในจุดซึ่งเหมาะสมตามการณีนั้นๆเมตตานั้นเราจะลองสังเกตนะครับว่าพระพุทธเจ้าสแสดงมากกว่าการุณาทําไมสแสดงมากกว่าการุณาเพราะเราจะกรุณาไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเมตตา จะไม่มีกรุณาเลยถ้าเราไม่มีเมตตาได้ว่กนเราต้องยอมรับสถานะของเขานะฮะยอมรับสถานะของเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแกร่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยได้มีเวรละกา ร, ราซึ่งการละกันเลยอย่างอย่างที่เราสวดกันนะฮะเราจะเห็นว่าเราต้องยอมรับสถานะเขานะฮะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิ ด, railroad, กดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่คําพูดเล่นๆ น, นะฮะมันมันนั่นคือการยอมรับสถานะเขา ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเพื่อนมันไม่เกิดหรอเมตตาเมตตาจะเดินไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดเรื่องกรุณามันไม่เดินนะฮะไม่เดินพระพุทธเจ้านั้นท่านลอยขึ้นไปเลยพระพุทธเจ้าเองนั้นประกอบด้วยกรุณาไม่ประกอบด้วยเมตตาเพราะอะไรเพราะอยู่เหนือกรุณาเป็นการเป็นโล ก, กทัศน์ของโรงนั้นมองทุกชีวิตประกอบอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งหมดเพรา ะ, ะนนคนที่อยู่ในทุกข์ก็คือหน้าที่ขององค์ก็ต้องช่วย ไมใช่กรุณาและอีกอย่างหนึ่งไอ้เมตตานั้นมันใกล้ต่อราคะอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังเนี่ยแต่ว่าในชั้นของการเจริญต้องหลุดพ้นจากอะไรเนี่ยฮะจากความไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการความหงุดหงิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทแต่ว่าเวลาหยาบหยาเราไม่พูดถึงพวกข้างล่างนี้นะฮะให้เราสังเกตว่าเราไม่พูดถึงพวกข้างล่างเราหออ ย, ยาบหยาบซะก่อน เราหยาบหยไปก่อนเหมือนกับปานาเนะีเราพูดไม่ฆ่าสัตว์ไปก่อนเอาที่มันแรงให้ได้ก่อนไปส่วนย่อยๆค่อยว่ากันทีหลังเนละยว่ากันทีหลังเหมือนกับการจะสร้างอาคารอะไรแต่อะไรเอาตัวหลักๆให้มันได้ก่อนเอาตอกเข็มตอกเกลือไม่เจ็ดไปก่อนการโหนด ล, นลายอะไรแต่อะไรค่อยค่อยว่ากันมนหลังเอาที่มันเป็นฐานสําคัญซึ่งมีผลแรงนะฮะอย่างว่าถ้าเราฆ่าชีวิตเขาตายได้แล้วเรื่องอื่นมาเลิกพูดอนะ มันฆ่าเขาจะแล้วนะไม่จะช่วยเหลืออะไรกับคนตายแล้วแต่ถ้าเราเรารักษาชีวิตเขาไว้ได้นะฮะต่อไปจะมีความเพื่อเพื่อต่อการกระดับก็เดินหน้าได้นั่นคือวิธีเราจะให้ให้เราสังเกตนะฮะพระพุทธเจ้าจะสอนตัวอย่างซะก่อนตัวอย่างแต่ก่อ น, อนพอถึงอาทินนาก็ห้ามไม่ให้รักทับซะก่อนรักทำไมปล้นเป็นจี้เป็นอะไรตายนะฮะกามเมก็ห้ามลูกเมียก่อนนะฮะห้ามลูกเมียก่อนแต่แท้จริงพอพอพ อ, พอปฏิบัติไปไปนะฮะจะมีผู้หญิงอยู่20ประเภทเลย อามพุชายล่วงเกินหมดเลยเล ย, เลยไม่มีใครเลยนั่นก็คือการบฏิบัติที่มันเดินค่อยๆเดินไปเดินไปตามระดับนันดั บ, ดบผู้ชายก็ยิ่ิประเภทเหมือนกันนะฮะก็เรียบร้อยสังคมจะเรียบร้อยแต่ก็ไม่อุกกระทึกรกระโขงในตอนต่อไปนั้นก็คือตัวผลเมตตาที่เราสัมผัสได้นี่ก็สงแสดงว่าอีกสูตรหนึ่งนะฮะในเมตตาในสังสุ จนแสดงว่าบุคคลผู้เจริญเมตตาอยู่เป็นนิดเนี่ยเป็นนิดนะฮะไม่ไม่จะนานๆครั้งคือเป็นเมตตาเป็นพื้นจิตมันมันจะปรับตัวเองนะฮะมันมั น, ม, นมันจะมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่มากระทบพร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะรอคอยพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะข่มใจได้ตลอดเลยถ้าเมตตาลองดูที่ลูกหลานเราถึงเราเมตตานะี่ยแกก้าวร้าวมาเราก็เอออภยัยน่ารักบางทีลูกหลานดา่าย่างยกจ้องแกนะมาเอไม่จํามาจากไหนอันนี้มันดา่าเก่งจริง ชื่นชมนะฮะชื่นชมกับคํา่านั่นั่นนั่นลองลองดูว่าที่จริงคุณภาพจิตในลักษณะนี้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ขยายออกเท่านั้นเองเราจะขีดวงอยู่ในเฉพาะเราเรานะฮะตัวเราเพื่อนเราญาติเราลูกเราลันเราเมื่อก็คเดเราอยู่แต่แต่เนี้มันไม่ขยายออกพระเจ้ากรสอไม่ขยายออกไปโดยสร้างสภาพใหม่ทําไมเราเ ร, ระฮะเพราะเราแม่เป็นลูกเราลันเราพี่น้องเราเพื่อนเราพวกเราพระพุทธเจ้าก็ขยายออกว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่มเกิด ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราคือของเราเหมือนกันนะขยายออกไปเป็นของเราเหมือนเดิมนะฮะเราจะเห็นว่าขยายเข้าไปยังของเรานะเพื่ออะไรเพื่อให้เมตตาในของเราได้กว้างออกไม่ได้ไปเมตตาในของเขาอะไรก็จะเพราะว่าเราขีดวงกว้างออกไปแล้วก็ทุกคนอยู่ในจภาพนั้นเมื่อเจริญได้มันก็ขจัดกิเลส ด, ดังกล่าวแล้วก็ผลกระทบที่เราจะได้ก็คือนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ให้เราสังเกตนะฮะถ้าจิตใจวันไหนที่หงุดหงิดก้นง่านโกรธใครไม่พอใจใครแม้แต่จะหลับก็แย่เลยหลับไม่ค่อยได้พอหลับแล้วก็หลับไม่เต็มเต็มอิ่มไม่ไม่สบายหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันไรนะฮะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาศาสตร า, าอาวุธเครื่องประหารอะไรต่ไรนี่ามอันตรายไม่ได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะ เราต้องมีประสบการณ์ตรงโดยตัวเองนะมีประสบการณ์ตรงโดยตัวเองมันก็เรียกว่าอะไรแคล้วคลาดอมันแคล้วคลาดไปนิดเดียวทนั้นเองบางทีพอเราเลยไปอ่ะเกิดเรื่องขึ้นมาตรงนี้นี่ก็คือผลอานิสงส์ของเวทตาแล้วก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วนะไม่หลงตายแล้วก็ตายไปแล้วจะก็ขึ้นอยู่กับไม่ตานะฮะ เมตตานี่ยมีอยู่สองระดับเมตตาระดับพรหมิหารพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็บังเกิดในสุคติแต่แต่ที่พระ เ, รเจ้าทรงสแสดงนั้นเป็นเมตตาระดับฌานระดับฌานนะฮะที่พระองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญแล้วก็ทําได้เป็นเมตตาระดับฌานเพราะบังเกิดในพรหมโลกบังเกิดในพรหมโลกตลอดสังวัตตกับอุก ม, มันเยอะในะสังวัตตกัเนี่ยนับไม่ไหว จากพระพุทธดำรัสในตอนนี้แล้วก็หลายๆตอนนะฮะมันทำให้เคยคิดมาหลายครั้งเคยคิดมาอย่างหนึ่งนะฮะก็เทียบเคียงจากที่ต่างๆเนี่ว่าเออบ้านเราทาไมาคนไม่ดีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไอ้คนดีๆทำบุญทำกุศลมันหายไปไหนมันอยู่สวรรค์พ ร, รมโลกหมดเลยไม่ได้ลงเลยสักคนนก็ท่านลองดูในอายุที่เคยเล่ากันงน่มันไม่กี่วันเนี่ยปราทบุคคลสมัยพระพุทธเจ้าเกิดมาได้ 20กว่าวันน่ะเองยีวันเกิดเป็นิบเจ็ดวันในในสวรรค์ท่านดาวดึงนะสวรรค์สวรรค์ท่านยามท่านอุสิเลยยิ่งใหญ่เลยยังไม่ได้อสองวันเลก็แกเพื่อเกิดอ่ะเพื่อเกิดอยู่ในสวรรค์ในโลกมนุษย์เรามันหมุนไปแยะและ้วเพราะงั้นท่านเหล่านี้ก็ไปอยู่ในสุคติพระพุทธเจ้าไปอยู่ในตั้งสังวาตริกับสังวัตริกัไปอยู่แล้วไปเกิดลงมาจากนั้นเสื่อมคือแสดงว่าบุญลดลงมาเรื่อยพระพุทธเจ้าแสดงว่า ค้นบุญอย่างเดียวคือเมตตาที่ทําอยู่7ปีแล้วก็ขึ้นเราจะเห็นว่าภพชาติท่างลดลงมาเรื่อยลถต่ำลงม า, าแสดงว่าบุ ญ, บญกุศลน้อยลงเรื่อยเหมือนกับมหาเศรษฐีลดลงมาเป็นเศรษฐีลดลงมาเป็นเครือบริษลดลงมาเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ถึงก็ขอทา น, นนัี่ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยลดลงมาจนถึงกับเป็นพระราชาเป็นเจ้าประเทศราชน่าไม่เท่นเลยเป็นพระอินทร์เองนะฮะเป็นท้าสกัดเทวราชเองสามในหกครั้งนะเกิดบังเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆ อีกเป็นนั้นมากเป็นถึงจอมพรมมือมาทตามหาพรมเพราะอานิสงส์ก็เมตตาเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเชื่อแนวนี้นะเชื่อตามหลักเราเนี่ยเราจะเห็นว่าคนดีจริงๆริะฮะไม่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์เราเลยเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เดียวยี่สกว่าวันนั่นเองสำหรับชั้นดาวดึงนะร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะงั้นตอนนี้ก็25งพยยี็แสดงว่ายี็วันนั้นเอง เอาแค่ดาวดึงนะฮะถ้าจันจตัตุมาราซึ่งต่ำกว่านั้นก็ตีได้ว่าเท่าไหร่หกสิบกว่าวันไอ้อไม่ไม่ใช่ห้าสิบกว่าวันนะห้าสิบสี่วันยไม่นานเลยยังไม่ได้สักเดือนเลยพวนี้ก็เลยไม่ยอมลงมาเกิดในโลกมนุษย์เราก็มีอะไรมนุษย์ลงมาเกิดกันวุ่นทั้งหมดเลยเดังนั้น จากหลักตรงนี้เป็นการชี้สังสารวัตรนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเมตตา น, นั้นคือกรรมพระองค์รู้กรรมการรู้สังสารวัตรด้วยย่านณติเชื่อมต่อกันมนาะแล้วเราจะมองเห็นเห็นภาพที่โยงระโยงระยางกันของออธรรมะในุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสแสดงว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยถ้าพระองค์ไม่มีระญาณพระองค์ก็ไม่เห็นกรรมถ้าไม่เห็นกรรมก็ไม่รู้วิบากกรรม ไม่รู้บากรรมก็ไม่สามารถที่จะย้อนอดีตอะไรได้แต่เพราะพระองค์เห็นเรื่องทั้งหมดเหล่านี้จึงเริ่มสอนพุทธบริษัทให้ทําบุญให้ทําบุญอย่ากลัวบุญบุญไม่มีอะไรละบุญเพียงความสุขความสุขตอนั้นเองสุขตั้งแต่เริ่มทําแล้วแล้วก็สรุปหลักนะฮะเราจะเห็นว่าสรุปหลักเพื่อไม่ให้ยากเกินไปสรุปหลักไว้าสามหลักแต่ท่านตั้งหลายได้ตรวจสังเกตมันกินรอบตัวนะฮะ แต่ลหลักเนี่ยจะกินรอบตัวเลยจะเพิ่มกันเองจะเพิ่มกันเองคล้ายๆกับเอามือล้างสิ่งสกปรกเนี่ยเือล้างกันเองไม่รู้มือซ้ายมือขวาล้างใดต่อใครก็ล้างด้วยกันนั่นแหละใจเราก็เหมือนกันที่จริงเราเริ่มโดยจากจุดใดจุดหนึ่งได้แล้วมันก็เพิ่มขูดในส่วนอื่นขึ้นมาทรงเริ่มที่ฐานเริ่มที่ฐานการให้แลลองสังเกตว่าทําไมรพุทธศาสนาเน้นฐานมาก เพราะท่า น, นั้นเป็นหลักของการสังคมสงเคราะห์คืออยู่ร่วมกันภายในสังคมคนที่ไม่ยอมให้นั้นแสดงว่าธนุถนอมตัวเองเกินไปเห็นแก่ตัวน ะ, ปร ะ, ป, ระประจุดถึงหนึ่งแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจนถึงกับไม่คํานึงถึงการได้มานั้นคือความรุนแรงของโลภะพระเจ้าก็เริ่มสลาให้นึกถึงคนอื่นนะให้ถึงให้นึกถึงคนอื่นอย่างภายในครอบครัวเนี่ยมีอะไรก็นึกถึงคนอื่นก็ได้ จะจะรับประทานอาหารก็นึกถึงคนอื่นก็ได้วยนะั้นแสดงถึงภาษาไทยในะมีคำต่างไปรอบมากแต่เราไม่ก็เอามาใช้นะความมีน้ําใจซึ้งมากนะลองคิดดูเดี๋ยวจับเราคนไทยเองจำบเราคนไทยเองเราซึ้งกับคานี้มากความมีน้ำใจเนี่ยมันกินรอบตัวหมดเลยไม่น่าเชื่อนะคำนี้ปัจจุบันในน้ําท่วมจริงแต่น้ําใจแรงนะ้นําท่วมเป็นแห่งเป็นแห่งๆท่วมขังด้วยยิ่งน้ําท่วมขังคนยิ่งน้ําใจยิ่งแรงนะฮะ ก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นนึกถึงตัวเองมากขึ้นาทางที่น้มข้างนอกแย่แต่น้ำข้างในไม่มีเลยน้าใจนี่ไม่มีโบราณในชใช้คำนี่สวยมากเลยความมีน้ำใจมันจะทอนมาจากอะไรจะทอนมาจากเมตตาจะทอนมาจากจากการยอมรับสถานะกันนะเราไม่ได้อยู่ในสังคมกันคนเดียวแล้วก็มีการเช่อเหลือคือคูณกันคือให้ต่างคนต่างอยู่กันได้ช่วยกันประครับประคอง แล้วทรงแสดงทานไว้ทุกชั้นเลยนะฮะทุกชั้นของการอยู่ร่วมกันภายในทังคมเราลองดูดีครแม้แม้แต่ระหว่างสามีปัญญาเนี่สามีปัญญาก็ให้ทานในแบบหนึ่งสามีก็ให้ทานอีกแบบหนึ่งือเป็นการให้กันให้เครื่องประดับให้เครื่องแต่งตัวให้ของขวัญไปไหนมีของมาติดมือนั่นก็ไปรับธนากรรมมันเป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงจงงงงดาดาิตใจกันดาดังมิตรานีกันดติที่ทงแสดงว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไปได้ สร้างความเป็นมิตรสนิทสนมให้เกิดขึ้นภายในใจแก่การอะไรกันดัเน้นที่ทานไว้มากปัจจุบันนี้เราแม้จะทําทานนะแต่ทําทานในแนวเราให้ลองสังเกตว่าบางครั้งนั้นเป็นความจำเป็นมันอะไรมังกรลาก็หาการเมืองหมดคือต้องการผลประโยชน์จะเนรามีการเรียอะไรมีการกะเก์อะไร อ, อะไรกันมากเนี่ยอย่าลืมอนี้มาวัดเลยปัจจัยาการนะฮะ เป็นกฎของปัจจยการเพราะคนที่ให้ทานในแนวระพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดจากอยากให้จาระาเจตนาเกิดขึ้นคือต้องเกิดจากจาระาเจตนานะเกิดจากกิตที่จะเสียสละมองเห็นการเกื้อกูลแก่ บ, บุคคลอื่นนั้นว่าเป็นความดีที่ตัวควรจะกระทำแล้วก็ทำแล้วก็เกิดความสุขใจแต่ถ้าจาระาเจตนาไม่เกิด จะค่าเจตนาไม่เกิดสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทธนาคารอะไรตัเนี้มีผู้อํานาจอิทธิพลบอกนะมีงานนี้ช่วยสองแสนต้องให้นะแต่คุณต้องมองหาแล้วว่าเอาเราจะเอาคืนยังไงจะเอาคืนยังไงสองแสนเนี้ยถ้าเป็นบริษทัทห้างร้านก็ต้องไปบวกในสินค้าเข้าจะเป็นธนาคารก็ต้องเล่นซิกแซกอะไรต้องเอาคืนไม่ได้เพราะค่าเจตนามันไม่มีอ่ะไม่มีเราไม่มีเสียสละไม่จําเป็นต้องเสียสละเราต้องหาทางคืนเนี่ย ติ้นเพิ่มเติมก็กลายเป็นวงจรนะราคาสินค้าก็ต้องเพิ่มเพิ่มคนก็ต้องซื้อของแพงและไอ้คนทุดท้ายในราชดรตาดำดำทุกงานเลยนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามไปโดนในราชดร น, นั้นนะั้นนี่คือไม่ได้เกิดโดยจากคดเจตนาแต่ของพุทธเจ้าต้องเกิดโดยจากคดเจตนาเกิดโดยอยากเสียสละอยากเสียสละเนี่ยเราไม่ต้องอยากเอาคืนนะเพราะเราอยากเสียสละเราต้องการจะเสียสละเราต้องการจะให้ ให้นั้นคือความสุขของเราให้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นนั้นคือความสุขความสงบใจของเรานี่คือแนวนะฮะเป็นเกิดขึ้นจากความสํานึกเห็นความดีของธรรมะและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําความดีเหล่านั้นและที่สาคัญก็อย่างยิ่งคือเรายอมรับสถานะคนนะฮะยอมรับสถานะคนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา แต่ว่าเราเป็นวิธีรีตองกันมากวิธีดีตองกันมากเกินไปโดยไม่ได้คิดนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะ่ยวันเมื่อวันซืนอเนี่มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่งท่านไปคุยคือต้องฟังอาตมาพูดเรื่องธงชาติฮนะร้องเพลงชาติตอนวอกนี้ น, นี่ผมเป็นผู้อำนวยการจักรเสียน้องปีนาะจานานเลยยังไม่ได้คิดเลยว่าใ น, ใ น, ใ, นในเพลงชาติมันมีอะไรอยู่แล้วก็ใช่มันก็รก้ว่าเพลินเพินนะฮะ เดีมายกใจฟังในอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษามังกีหนึ่งสามมังกีไทยรักสงบสองรักสงบตึงจะรบไม่กขาดกึกราหารสละเลือดทุกอยติเป็นชาติประวิคนั้นคือเสียสละธรรมะสี่ข้อนี้เป็นเครื่องทํำรงชาติบ้านเมืองไว้เขาต้องการอนุสติเตือนใจว่าไทยที่สืบต่อชาติไทยกันมาได้นั้นเพราะคนภายในชาติมีคุณธรรมสี่ประการแล้วลองหาดูทุกวันหายากจะตาย สามาคีอะไรมันยุให้รำตามให้รั่วสร้างข่าวลือจับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ชนกันทั้งหน้านังสือพิมพ์นั่งวิทยุมังยุ่งหมดเลยไม่มี่แล้วไม่รักสงบชอบก อ, อยวุ่นวายอยู่เรื่อยเลยอยู่เงียบๆไม่มีไม่เดียันต้องสร้างเรื่องให้มันตื่นเต้นหรือกระตุ้นกระโรมวุ่นวายอย่างนี้รบขาดไม่ขาดก็ไม่รู้นะเพราะยังไม่รบจริงแต่เสียตลาดไม่ก็มีเสียตลาดนอกจากว่าได้เหรียญหรือเปล่าเหรียญหรือเปล่าถ้าได้เรหรียญก็จะเอา อันนี้ก็คือคือคือเราจะเห็นว่าคุณธรรมเนี่ยที่จริงมันมันมันไม่มีอะไรด่าด่ดาดแล้วก็อยู่ในที่นั้นน น, น่ยในที่ทุกคนทุกแห่งพอพูดขึ้นมาเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราพูดเราเรียนเราศึกษามานี่มันเป็นธรรมะเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดแต่ที่ที่สาคัญอย่งเี้ก็คือเดินหน้าไม่ได้เท่า น, นั้นเองเดินต่อไปไม่ค่ได้ มันก็อยู่แค่แค่เป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจที่จะทำให้ได้ตามที่เราพูดเราแสดงไปเพราะเราทำในรูปของพิธีกรรมแต่ท่านทำในรูปของแนวสัจจปฏิญาณที่จะต้องตอกย้ำแล้วก็ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากสัจจะปฏิญาณเหล่านั้นอ่นะมันก็ไม่ต้องมากอะไรนะฮะไม่ต้องมากอะไร อย่างบุญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงพระพุทธเจ้าสแสดงสข้อนะฮะบุญกิจาวัตถุสิบอั7ข้อนั้นเขาเพิ่มในทีหลังลาาอาจารักศาสจารย์นั้นเพิ่มมันเป็นภาวนามาอยู่แล้วจริงๆเพิ่มสักยี่สิบก็ได้มไม่ได้บ้าอะไร <c oughs> ก็ตัวบุญจริงๆมันก็มีอยู่สามข้อแต่นั้นเองคือเริ่มมาจากทานคือการให้การเสียสละก็กระจายตัวเองน ะ, ะกินรอบตัว เราก็ศีลควบคุมกายวาจาแล้วก็ภาวนาคือทําความดีที่ไม่มีให้มีขึ้นที่ยังทําไม่เป็นให้เป็นขึ้นในยังทำไม่ได้ให้ได้ขึ้นท่นั้นเองแล้วขึ้นไปเรื่อยๆรอยจนถึงสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาในชั้นที่สองนั้นทรงใช้คำว่าธรรมะธรรมะมีสองคำนะฮะสองความหมายความหมายหนึ่งนั้นก็คือการฝึกปลือตนเองฝึกปลือตนเอง อบรมตนเองอย่างจิตตัสศดมโถสาทุบธรรมะเหมือนกันนะฮะการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังดันตังสุขาวะหังธรรมะเหมือนกันน ะ, ะธรรมะเหมือนกันจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้อย่างที่เราเรียน น, ะะนั่นก็คือการฝึกปรือตัวเองอบรมตัวเองแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปโดยจาดับนะฮะได้บางไม่ได้บางก็พยายามไปเรื่อยๆจนในที่สุดสามารถคุม คุมพฤติกรรมได้ฮะแล้วก็มาอยู่ที่คุมจิตได้มาคุมจิตของตนเอาไว้ไม่ให้คิดไม่ให้ฟุง้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆนะเป็นเรื่องการคุมความคิดตัวเองท่านหลายเคยสังเกตนะเรื่องศัตรูเรื่องอะไรแต่ใดเนี่ยคนที่ทำอันตรายให้แก่บุคคลแต่ละคนได้มากที่สุดนั้นคือเราเอง ลองดูบาดแผลในร่างกายเรามีใครทําให้เราตะกีบแผลนอกจากเราทําเองทํามีดบาดบ้างเดินสะดุดบ้างหกลมม้มบ้างไงขี่จั ก, กรยานนะถล่มบ้ามมงรถพ่อ ม, ม้างเราทําเองนั่นแนหะมีคนทําให้เราตะกีบแผลบางคนเพื่อนไม่เคยทําให้ตะแผลนะะแผลทั้งตัวนี่มีคนอื่นก็มีเราทําเองเท่านั้นนะครับวันนี้มั น, มนเกิดะอะไรเกิดมาจากการไม่ฝึกใจไม่คุมใจตัวเองคือควบคุมใจตัวเองไม่ได้หักข้ามใจตัวเองไม่ได้ แล้ในที่สุดบางทีก็อยากกินเลยเกินนะไปกินเสร็จท้องเสียก็ไปทุศร้ายตัวเองอีกห้ามใจไม่ได้นะห้ามใจไม่ได้อยากไปเที่ยวอยากทำอย่างนั้นอยากทําอย่างนี้แล้วในที่สุดไปทุศร้ายตัวเองลองสังเกตลองนับแผลที่ทมือที่เท้าลองดูก็ได้อันนี้เราทําอะไรมาจะเจอว่าบางคนนะะไม่เคยใครไม่เคยทําเลยให้ตะแผลเรียเราทําเองนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดที่สหรัฐอเมริกาเขาสำรวดมานะ อุบัติเหตุที่บ้านน่ะเดินหกล้มไปเหยียบถ้วยของหล่นลงมาถูกแต่อะไรแต่ไรเนี่ยทันผักทานเอามืออะไรต่างต่างเนี่ยมันก็เกิดที่บ้านมากที่สุดนี่คือคือเกิดมาจากเราไม่ฝึกใจแล้วก็ไม่สามารถข่มใจข้ามใจหรือคุมใจตัวเองได้ทําอย่างหนึ่งใจคิดไปอย่างหนึ่ทีนี้สัญญา마ความสํารวมนะฮะความสํารวมพระพุทธเจ้าทรงเน้นที่เมตตาที่จริงความสัมรวมมันเยอะนะฮะสัญญา마เนี่ยเยอะเลย สัมรวมสัรวมในชั้นหนึ่งในชั้นศีลกึงก่งศีลกึ่งธรรมนะีคือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็ท่านั้นเนี่ยโรครอบของโลกสัมผัสโยมจะได้ยินมาเจอบ่อยเลยกินตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่รู้มันก็พูดแค่นี้แก่คนอะ่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกงานเนี่ยมันก็มีเท่านั้นเองอะ่ะเราแก้กันไม่ได้สักชีนึงก็สัรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดความยินดียินร้ายนะฮะในเวลาเห็นโน้ตฟังเสียงดนิรีริมรถเป็นต้นแต่ตลอดต้งสัมรวมระวังในชั้นศี ในชั้นศีลว่าเราสมาทานศีนมลมาได้เราสาศีมลมาได้จะต้องสัมรวมระวังอย่างไงเนี่ยฮะแต่ที่เน้นในที่นี้ไม่ได้เอาขนาดนั้นอ่ะไม่เอามากขนาดนั้นเน้นที่เมตตาเพราะในภาสิทธในพระพุทธภาสิทธิ์ที่หลังนั้นทรงเน้นที่เมตตาแต่ข้างบนตองใชก้กรรมสัญญาณเพราะงั้นเมตตาไอสัญญาณในที่นี้คือการสัมรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายไม่อะไรนะฮะ ไม่มีการกระทําอะไรในลักษณะที่ก่อทุกข์โทษให้เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายแม้แต่ความคิดตำรวมเพราะตำรวงโดยเมตตาี่แม้แต่ความคิดนะฮะอย่างที่บอกว่าเมตตากายกรรมังกระทาอะไรก็ตามต้องทําโดยเมตตานึกถึงผลกระทบจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาก็ไม่ทําเมตตาวาจีกกรรมังคือพูดอะไรต้องพูดโดยเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนก็ เ, เจ็บแสบเขา เ, เป็นทุกข์ทรมานก็เสียใจน้อยใจ อ้เสียใจน้อยใจนั้นต้องอย่าลืมว่าท้าผลเกินคุ้มนะฮะเช่นเราตักเตือนว่ากล่าวหรืออาจจะลงโทษ ด, ด้วยเมตตายังยังเมตตาอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้อย่างเดียวเสียอย่างเดียวบางอย่างมันก็เจ็บเจบกันหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดด้วยเมตตาถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แต่เมตตามนโนกมังเมตตาที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นจะต้องมีลักษณะขจัด ที่จริงๆนั้นนะะตัวแรกจริงๆต้องขจัดความความโกรธความพยาบาทได้แล้วก็ต่อมาก็เรื่อยๆนะฮะขจัดไปเรื่อยๆเพราะเมตตาเนี่ยมันมีความหักเหอย่างที่เคยบอกแล้วว่าอาการมันคล้ายกับราคะคล้ายกับราคะคือความกำหนัดแต่ความกำหนัดนั้นต้องการผลตอบแทนในเชิงรูปธรรมเมตตานั้นมีธรมมธ ร, รมะมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์เรายอมรับสถานะเขา มาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่ว่าทีนี้มาเกิดสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเราอย่าลืมนะฮะที่จริงใน น, นนี้พระพุทธเจ้าเดินมาตั้งแต่ปานาธิบัต์นะเดินมาตั้งแต่ปานาติบัต์แล้วแต่ว่าเวลาพระเอามาเทศน์นั้นพระไม่เอามาทั้งหมดนะนี่ก็เอามาท่อนเดียวามาที่หัวนี่เดียวตรงแสดงว่างดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปคือให้ตาย วางสัตราอาวุธเครื่องประหารคือไม่ไม่มีสัตว์อาวุธเครื่องประหารอยู่ในครอบครองในมือมีความสำรวมระมัดระวังเวลาะเกียรข้องกับสัตว์ทั้งหลายมีใจเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายก็เดินไปเรื่อยๆนั่นคื อ, ค, อคือพัฒนาการทางจิตเพราะงั้นตรงนี้แสดงมาถึงตรงกลางและแสดงว่าจิตต้องผ่านมาจากไอระดับข้าเบียดเบียนได้แล้วนะฮะแล้วก็เดินมาถึงเมตตาเพราะระมัดระวังในสัตว์ทั้งหลายท่านทั้งหลายลองนึกดูจะกินรอบตัวเองอะกินรอบตัวเอง แล้จะเชื่อมโยงกันระหว่างการให้ทานถ้าเราไม่ไม่มีความรู้สึกเมตตาเราก็ไม่ให้นะฮะต้องรู้สึกเมตตาหวังดีปรารถนาดีจึงมีการให้พวกนี้ก็ชําระซึ่งกันและกันหมายความว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งสมข้อเมื่อสนับสนุนกันได้บางก็กลายเป็นเช่นว่าบางทีเมตตามันตกอ่ะคุจิตมันตกเราก็อาศัยธรรมะฝึกนะคมเอาไว้อย่าให้อ่า กิเลสที่เป็นค่าสึกต่อเมตตาเกิดขึ้นแทรกซ้อนรุนแรงเกินไปแล้วเราก็รักษาระดับจิตเราไว้ได้แล้วก็ฝึกปลือให้เกิดขึ้นต่อไป แ, แสดงออกมาได้ทางกายทางวาจาโดยเฉพาะทางกายก็คือด้วยการให้กิริยาการที่แสดงออกมาก็เป็นเรื่องของความสำรวมระวังแสดงให้เห็นว่าภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นประกอบอยู่ด้วยเมตตามุ่งดีปรานันธรรม3ข้อนะฮะ สรุปแล้วว่าธรรมะสามข้อนี้ที่มีความเข้มข้นสูงจนถึงพัฒนาเมตตาขึ้นไปอยู่ระดับฌานได้นะรัพระพเจ้ายอมรับคตินะฮะยอมรับครบที่จะอุบัติว่าจะบังเกิดในพรห ม, มโลกแล้วนานด้วยฮนะนานไม่รู้เรื่องเลยนะบางทีพวกนี้เอาลูกระเบิดประาโูมาเล่นเล่นกันสองาครั้งอ๋อพระพุทธเจ้าเล่านะฮะคราวคราวกับพินาศคราวกับพินาศเราเข้าสู่วิมานพรหมอันว่าง เ ค, เคยมีกับพินาศเราจะเห็นว่าแนวเนี้ยของคริส ก, ก็มีในเรื่องโนองโนอาเนี่ยกับพินาศมากกว่าน้ำพร่มโลกของเขาครากับพินาศพระวุทธเจ้าก็ยังอยู่เป็นพรหมอยู่ด้วยผลของเมตตาเจ็ดปีนะแต่เมตตาต่อเนื่องนะไม่นจะว่าเจ็เดือนยนังสามครั้งนะคือว่าเมตตาที่ทําสืบต่อกันไปแล้วพร้อมที่จะขันติพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่เมตตาพร้อมที่จะกรุณานไดนะ้เป็นแผ่รังสีได้รอบตัวไม่ถูกครอบงําด้ว ย, ยกิเลสใส โทษะแต่ประการใดแล้วก็กระจายมาเป็นโลภะเอไม่ใช่เป็นความไม่โลภไม่หลงด้วยนะฮะเพราะว่าความเกี่ยงเนื่องถึงการของกุศลธรรมเหล่านี้วันนี้ก็ข อ, อยุิไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านเธอ